ขอจเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27พฤภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบำรุงชีวิตจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความสุขความร่มเย็นเพราะการมาวัดและมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเรา ดีขึ้นทำให้ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียจากความวุ่นวายทั้งหลายได้ <c oughs> เพราะการกระทาของเรานั้นเป็นเหตุที่จะนำมาทั้งผลที่ดีและผลที่ไม่ดีคือความเจริญ ก็เกิดจากการกระทาของเราความเสื่อมก็เกิดจากการกระทาของเราความสุขก็เกิดจากการกระทาของเราความทุกข์ก็เกิดจากการกระทาของเราเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเราเป็นผู้กระทาแล้วทาไปแล้วผลก็จะเกิดตามมา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำดีละบาปเพราะการกระทำความดีจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญส่วนบาปเป็นการกระทำที่จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการกระทำ ของเราทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวัจีกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรมในกรรมทั้งสามนี้กรรมที่สำคัญที่สุด <c oughs> ก็คือมโนกรรมคือการกระทาทางใจใจเราต้องคิดก่อน ถึงจะพูดได้ถึงจะทำได้ถ้าคิดดีก็พูดดีทำดีถ้าคิดไม่ดีก็พูดร้ายทำร้ายเราจึงต้องคอยดูใจของเราอยู่เสมอดูว่าใจของเราคิดดีหรือคิดไม่ดีเราต้องสอนใจให้คิดดีถ้าเราไม่รู้ว่า การสอนใจให้คิดดีนั้นทาอย่างไรเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมต้องอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้คิดดีได้เมื่อคิดดีแล้วเราก็พูดดีทำดีเช่นพระธรรมคำสอนท่านสอนให้เราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธ เพราะความโลภความโกรธนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเวลาที่เราโลภแล้วใจของเราจะร้อนขึ้นมาจะอยู่จะนั่งอยู่ไม่ติดที่จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้จะต้องไปทำหรือไปหาสิ่งที่โลภที่ตนโลภที่อยากได้เช่นสมมติว่าเอง ขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีความโลภอยากจะลุกจากที่นี่ไปเราก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเกิดเรามีความรำคาญใจหรือมีความกังวลห่วงบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องทำให้เราวุ่นวายใจเราอยากจะไปทา ในสิ่งที่เรามีความกังวลอยู่เราก็จะทนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็จะต้องลุกไปทำในสิ่งที่เรามีความผูกพันอยู่ด้วยแล้วถ้าเราไม่ระวังระวังเราก็อาจจะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราคิดว่าคนที่เขาคนที่เราจะไปพูดด้วยนั้นเขาทำในสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจแล้วเราก็ไปพูดเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความโกรธเราก็จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือเราอยากจะได้สิ่งใด แล้วมีคนอื่นมาแข่งมาแย่งกับเราเราก็จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีความโลภไม่อยากได้อะไรคนอื่นเขาจะพูดอย่างไรเขาจะทำอะไรเราก็จะไม่มีความรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราก็จะไม่ต้องไปพูดไม่ดี หรือทำไม่ดีเพราะเขาไม่สามารถทำให้เราโกรธได้เพราะเราไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาเอาไปเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ในสิ่งเดียวกันกับที่เขาอยากจะได้ตอนนั้นก็จะเกิดการต่อสู้เกิดการแข่งขัน แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาสเกิดการทุกตีเกิดตามมาได้เพราะเราโลภเมื่อเราโลภแล้วเราก็ต้องไปแข่งกับผู้อื่นแล้วก็ต้องไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาความโลภจึงไม่เป็นสิ่งที่ดีเราไม่จำเป็นต้องโลภเราก็อยู่ได้ คือเราต้องการอะไรเราก็หาไปตามความสามารถของเราถ้ามีใครเขาต้องการเราก็ถอยปล่อยให้เขาทำไปเอาไปเราก็ไปหาที่ใหม่ก็ได้ไปหาอย่างอื่นก็ได้ในโลกนี้มีข้าวของอะไรต่างๆมากมายไม่จำเป็นที่จะต้องมาแย่งกัน หรือถ้าว่าจำเป็นจะต้องแข่งขันกันก็แข่งขันกันด้วยจิตใจที่มีความไม่ตรีจิตมีความเมตตาคือคิดว่าเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างต้องทำมาหากินก็ทำกันไปด้วยวิธีที่สุดจริญคือไม่ใช้วิธีกันแกร้งกันไม่ใช่วิธี ไม่ใช้วิชามานเช่นไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังว่าคู่แข่งของเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นถ้าเรามีจิตเมตตาเราต้องเราต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเห็นว่าเขาก็มีความจาเป็นที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็มีความจาเป็นที่ต้องทำมาหากินเช่นเดียวกัน แต่เราทั้งสองก็สามารถหากินด้วยกันได้ด้วยการไม่ต้องมาต่อสู้กันไม่ต้องมาใช้วิธีกานต่างคนก็ต่างพยายามทำให้ดีที่สุดไปก็แล้วกันถ้าใครทำดีกว่าคนนั้นก็จะขายของได้ดีกว่าเพราะคนที่ซื้อของเขาก็ชอบซื้อของที่กับคนที่ให้ การบริการที่ดีกว่าเช่นให้ของที่ดีกว่าราคาถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้วิชามานไม่ต้องไปการแกล้งคู่แข่งขันของเราเพราะเรามีความเมตตาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเมตตาทำด้วยความเมตตา ไม่ว่าจะพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรขอให้คิดด้วยความเมตตาถ้าเราคิดด้วยความโหดร้ายทารุณคิดด้วยการเลียดเบียนผู้อื่นคิดด้วยการอาฆาตพยาบาทก็จะทำให้เราต้องไปพูดไปทาไม่ดีแล้วผลเสียหายก็จะเกิดตามขึ้นมาทั้งในปัจจุบัน ในปัจจุบันก็จะมีปัญหาต่างๆมีเรื่องมีราวเพราะเมื่อเราพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคนที่เขาต้องถูกรับผลจากการพูดไม่ดีทำไม่ดีของเราเขาก็ต้องเดือดร้อนแล้วเขาก็ต้องหาวิธีจัดการกับเรา ถ้าเราทําผิดกฎหมายเขาก็ไปแจ้งความไปกับตํารวจให้มาจับเราเข้าคุกเข้าตารางได้ดังนั้นจึงขอให้เราคิดดีอยู่เรื่อยๆถ้าคิดดีแล้วเราจะไม่ต้องไปเราจะไม่ต้องไปพูดไม่ดีทําไม่ดี <c oughs> เช่นวันนี้เราคิดดีเราคิดว่าเรามาทําบุญ เรามาช่วยเหลือพระภิกษุสา ม, มเณรถวายอาหารข้าวหวานถวายเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการคิดที่ดีคิดที่จะให้คิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีเมื่อกี้นี้เราก็ได้กล่าว คำพูดที่ดีกล่าวคำถวายสังฆทานขอถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้<ม>แด่พระภิกษุสงฆ์<ม>เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินนี่คือเป็นการกระทำที่ดีเป็นการพูดที่ดี และเป็นความคิดที่ดีและผลดีก็จะตามมาในเบื้องต้นก็จะปรากฏขึ้นในใจของเราใจของเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจมีความภูมิใจเนี่ยถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ที่มาทำบุญนี้เอาไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปซื้อสุรามาเดิน รู้ไปเที่ยวเราก็จะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่มีแต่ความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่มีความอยากที่จะไปดื่มสุราอีกแต่ไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขไม่มีความพอไม่มีความภูมิใจเนี่ยการกระทา ที่ใช้เงินก้อนเดียวกันนี้มีความแตกต่างกันเพราะคิดไม่ดีหรือคิดดีนี่เองการคิดที่จะระ เ, เสพสุรายามเมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีไม่ได้พาให้ไปสู่ความสุขและความเจริญ มีแต่จะพาให้ไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์เพราะเมื่อเราทำคำหนึ่งแล้วเราก็อยากจะทำอีกต่อไปเรื่อยๆยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้เงินมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้แล้วปัญหาก็ตามมาจะไปหาเงินทองที่ไหนมาใช้เพราะ เราต้องใช้เพราะเราติดเป็นนิสัยแล้วเคยเที่ยวมากๆก็จะติดเป็นนิสัยเคยเสพสุรายาเมามากๆก็จะติดเป็นนิสัยก็จะต้องไปหาเงินมาให้ได้ถ้าเราไม่มีงานทำเราก็จะต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปโกหกหลอกลวงคนนั้นคนนี้เพื่อขอยืมเงินยืมทองมา อยู่มาแล้วก็ไม่มีทางที่จะใช้เขาได้เรียกว่าเป็นการขมโมยด้วยการหลอกลวงไปหลอกลวงเขาว่าขอยืมเงินแล้วจะเอามาใช้เราจะเอามาใช้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีรายได้ไม่มีงานทำเราโมวแต่เอาเงินไปเที่ยวไปดื่มสุราอยู่อย่างนี้ต่อไปเราก็จะต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะเราจะทำ ผิดมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็โกหกหลอกลวงต่อไปก็ไปลักขโมยต่อไปก็ไปป้นไปจี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ถูกจับก็ถูกเขายิงตายนี่เป็นเพราะว่าเราคิดไม่ดีเราคิดไปในทางที่ผิดคิดในทางที่ถูกนั้นต้องคิดขยัน ทำงานทำมาหากินขยันรักขยันเก็บเงินเก็บทองหาเงินทองมาได้มากน้อยเพียงไรต้องเก็บเอาไว้อย่าไปใช้ให้หมดใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่ก็ใช้พอประมาณไม่ต้องมีมากจนเกินความจำเป็นมีเสื้อผ้า 4-5 ห้าชุดก็อยู่ได้แล้วมีอาหารรับประทานวนลาสองสามมือก็อยู่ได้แล้วและไม่ต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงๆอาหารอาหารถูกกินเข้าไปก็อิ่มท้องเหมือนกันอาหารแพงกินเข้าไปก็อิ่มท้องเหมือนกันออกมาก็ไม่มีใครอยากจะได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารราคาแพงขนาดไหนนี่คือความคิดที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ทิขยันทำงานทำการได้เงินมาก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นถ้ามีเหลือก็เอามาทำบุญให้ทานอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะ ซื้อของฟุ่นเฟือยหรือไปเที่ยวจะไม่ได้ทำให้เราได้มีบุญบุญนี้มีความจำเป็นกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็ทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจในอนาคตเมื่อเราไปเกิดเราก็จะได้เกิดเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีกว่า เดิมจะรวยขึ้นจะสวยขึ้นเนี่ยเพราะบุญนี่แหละพวกเราทุกคนที่มีความแตกต่างกันในความสวยก็ดีในฐานะการเงินก็นดีก็เพราะบุญในอดีตที่เราได้ทำกันเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดีคือให้คิดทำบุญคิดละบาป คิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงให้คิดแบบนี้เมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเราจะได้ทำสิ่ง nice ท i̇şte ี่ดีเราจะได้ทำบุญเราจะได้ไม่ทำบาปเราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วผลก็คือความสุขและความเจริญก็จะตามมา พระพุทธเจ้าเจริญเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะท่านคิดดีพูดดีทำดีท่านคิดว่าอยู่ในโลกนี้อยู่ไม่มีความเจริญอยากจะเจริญแท้จริงต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองแล้วออกไปบวชอยู่ในป่าไปต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงไปต่อสู้กับความอยากทำบาปทํากรรม เอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้เมื่อชนะได้แล้วใจของเราจะไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขให้ความอิ่มกับใจ เ, เมื่อไม่มีความหิวไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไร เสียเสียหายหายไม่ต้องไปพูดอะไรเสียเสียหายหายอยู่เฉยเฉยสบายอยู่แล้วใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็ไม่สามารถมากระทบกับใจของเราได้ไม่สามารถทำให้ใจของเราโกรธทำให้ใจของเราเสียใจทำให้เราวุ่นวายใจได้เพราะใจของเราได้ตัดหมดแล้ว ในเรื่องของความหลงทั้งหลายความหลงนี่แหละที่ทําให้ใจของเราต้องไป <c oughs> ยุ่งกับเรื่องต่างๆเพราะคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นมีประโยชน์มีความสุขทําให้เรามีความสุขเราก็ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปยุ่งกับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้แล้วก็ต้องไปทุกข์กับ เรื่องเหล่านั้นกับคนเหล่านั้นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะคนเราก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีมันไม่มันไม่ดีเสมอไปตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจพอนานเข้าไปสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปจากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไป ก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอยากจะได้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกหรือถ้ายังไม่เบื่อหน่ายแล้วสิ่งนั้นเกิดเสียไปหายไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องผมร้องไห้เสียดายอะไรอววร น, นี่คือความทุกข์ที่พวกเราวิ่งเข้าไปหากันเพราะความหลง เพราะเราไม่สามารถอยู่เฉยๆนั่นเองอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรก็ต้องไปเดินหามาเหมือนกับเป็นการแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนนั่นเองเท้าเราอยู่เฉยๆมันก็ดีอยู่แล้วไปแกว่งไปหาเสี้ยนทำไมไปแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนก็ต้องไปถูกเสี้ยนต่ำ ทำให้เจ็บปวดขึ้นมาฉันใดถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องมีคู่ครองเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีหลานเราก็มีความสุขได้แต่พอเรามีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานเราก็ต้องมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยา ทุกข์กับลูกทุกข์กับหลานบางทีก็ทนอยู่กับความทุกข์กับสามีกับภรรยาไม่ได้ก็ต้องหย่าร้างกันไปก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จักเข็ดเข็ดลาบกันบางทีหย่าร้างกันไปไม่ได้ไม่นานพอไปเจอคนใหม่เข้าก็หลงอีกแล้วหลงคิดว่าคนใหม่นี้จะต้องให้ความสุขกับเรา แต่ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวจะต้องมีความทุกข์ติดตามมาด้วยเสมอถ้าได้คนดีเราก็ต้องทุกกับความห่วงความกังวลกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือกลัวว่าเขาจะไม่ดีกับเราไปตลอดนี่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าไปเจอคนไม่ดีก็ต้องทุกกับความไม่ดีของเขาเดี๋ยวเขาก็ตีเราซ้อมเรา ด่าเราว่าเรามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแต่เนื่องจากใจของเราถูกความหลงครอบงำอยู่ทำให้เป็นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆในคนต่างๆคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขก็เลยดิ้นรนไปหามาหามาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มา ทุกข์ด้วยการต้องดูแลรักษาได้อะไรมาก็ต้องดูแลรักษาทุกข์ด้วยความกังวลกลัวว่ามันจะเสียจะหายไปทุกข์ด้วยความเสียใจเศร้าโศกเมื่อจากเราไปมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนั้นแสนจะสบายไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยามไม่ต้องทุกข์ ก, กับลูก ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี่แหละคือใจของพระพรธเจ้าของพระอาหารหันต์เป็นอย่างนี้ท่านไม่มีอะไรเลยท่านจึงไม่ทุกกับอะไรเลยสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ไม่มีแต่ทำไมท่านอยู่ได้ทำไมท่านจึงมีความสุขมากกว่าพวกเรา รานนี้เป็นธรรมชาติของใจของพวกเรามันเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะให้ความสุขกับใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอกไม่ใช่ข้าวของเงินทองไม่ใช่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความสงบสุขต่างหากความสงบของใจที่เกิดจากการทำความดีละบาปชาระความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปเท่านั้นที่จะทําให้เราได้มีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าเอาก็แล้วกันว่าท่านดําเนินชีวิตของท่านอย่างไรท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยท่านก็เกิดมาเป็นคนเหมือนเรา ท่านเกิดในตระกูลสูงเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเถ น, นินมีความสุขกับสิ่งต่างๆมากมายกายกองแต่ท่านก็เห็นความทุกข์ที่มีอยู่กับความสุขนั้นด้วยและรู้ด้วยว่าเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มเ อ, อิบไม่ให้ความพอท่านจึงตัดสินใจสละ สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกไปอยู่ในป่ารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงจนในที่สุดก็เอาชนะมันได้กลายเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเป็นที่กราบไหว้บูชาของพวกเรามา จนถึงปัจจุบันนี้นี่คือทางเดียวทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนพวกเราไม่ควรที่จะเดินไปในทางของความโลภของความโกรธของความหลงไม่ควรเดินไปในทางของการทำบาปทำกรรมไม่ควรเดินไปในทางหาความสุขของที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่มีอยู่กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมีแต่ความทุกข์ทุกวันนี้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถามตัวเองดูลองสังเกตดูว่าเรามีความสุขใจหรื อ, อยังมีความอิ่มใจหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่มีแสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่แล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเสียใจเราจะต้องเจอกับความทุกชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นจึงขอให้เรามีความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในแบบฉบับการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วปฏิบัติตามทำไปเถิดไม่ช้าก็เร็วจิตใจของเราจะมีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ายังมีข้อกรรมต่างๆก็ขอให้ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำมาในอดีตเพราเรายังมีบาปมีกรรมมีบุญมีกุศลที่เราได้ทำไว้มากแล้วในอดีตแต่ยังไม่ได้แสดงผลขึ้นมาดังนั้นอย่าไปโยงกับเรื่อง ก, กับการกระทำของเรา บางคนก็โยงไปว่าทำดีแทบตายกับไม่ได้ไม่ได้ดีเลยมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ปัญหาต่างๆมีแต่ข้อกรรมต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นวิบากของของบาปกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตต่างหาไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีในปัจจุบันความทาดีการทำความดีในปัจจุบันนั้น จะต้องรอเวลาต้องไม่ใช่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเสมอไปจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะในใจเราเท่านั้นเมื่อเราทำความดีเราก็จะมีความสุขใจทันทีแต่ผลตอบแทนก็คือการที่จะได้ความเจริญในสิ่งต่างๆในชีวิตการงานในฐานะการเงินการทองนั้นอาจจะต้องรอในชาติหน้า เมื่อเราไปเกิดใหม่เราถึงจะได้ไปเกิดเป็นลูกของคนรวยไม่ต้องมาลําบากลําบนหาเงินหาทองเพราะอา น, นิสงส์ของบุญที่เราทําไว้ในวันนี้นั่นเองดังนั้นขอให้เราจงเข้าใจว่าบาปและบุญที่เราทําในวันนี้มันยังไม่ได้ปรากฏผลขึ้นมาทันทีทันใดจะปรากฏขึ้นก็แต่เฉพาะในใจเราทําบุญก็มีความสุข ทำบาปก็มีความทุกข์ในใจเราแต่ส่วนผลภายนอกนั้นต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนถ้ามีผลของบาหรือผลของบุญที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังทําบุญหรือกําลังทําบาปนั้นก็ขอให้คิดว่าเป็นผลของบุญและบาปที่ทําไว้ในปางก่อนในชาติก่อนหรือในชาตินี้แต่ในหลายปีก่อนหรือไหน ในหลายเดือนหลายวันก่อนก็แล้วกันอย่าปรปโยมว่าทำความดีแล้วเจอแต่เคาะกรรมเจอแต่เรื่องราวต่างๆก็เลยไม่ยอมทำความดีอีกต่อไปอย่างนี้ก็จะเป็นการขาดทุนเพราะถ้าเราไม่ทำความดีแล้วต่อให้เราอยากจ ะ, จะเจริญมากน้อยเพียงไรต่อให้เรามีพระวิเศษห้อยไว้ที่คอ ก็จะช่วยอะไรเราไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้วิเศษด้วยการห้อยพระห้อยไว้ที่คอพระพุทธเจ้าวิเศษด้วยการกระทำความดีท่านไม่ทำบาปดังนั้นอย่าไปห้อยให้เสียเวลาถ้าดีจริงแล้วป่านนี้พวกเราต้องวิเศษกันไปหมดแล้วเพราะมันง่ายเหลือเกินหาพระมาองค์มาห้อยแล้วก็ไปทำบาปทำกรรมก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญได้ มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุบีผลเหตุก็คือการกระทำของเราความสุขความเจริญความทุกข์ความเสือ่อมก็เป็นผลที่ตามมาจึงขอให้เราเชื่อเท่านี้แล้วยึดมั่นกับการกระทำความดียึดมั่นกับการละบากยึดมั่นกับการชาระความโลภความโกรธความหลงแล้วเชื่อได้ว่าในอนาคต ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเงือกขึ้นไปตามลำดับจนได้เป็นจนได้ไปถึงในระดับเดียวกับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปด้วยการกระทำนี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องการกระทำทางกายวาจาและใจให้ท่านได้นมไปพินิจพิ จ, จารณา และนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุวันน้ำสุกภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ